เรื่องฤาษีอสองพี่น้อง344ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีฤาษีพี่น้องสองคนอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำคงคาครั้งนั้นมณีกัณฑนาคราชขึ้นจากแม่น้ำคงคาเข้าไปหาฤาษีผู้น้องถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้พักวงขนดหางล้อมรอบฤาษีเจ็ดรอบแผ่พังพันใหญ่ปกเนื้อศีรษะ ฤาษีผู้น้องกลับสู้ผอมมองคล้ำสีดเหลืองเส้เนเอ็นขึ้นสะพรั่งเพราะความหวาดกลัวนาคราชฤาษีผู้พี่เห็นฤาษีผู้น้องสูงผ้ผอมหมองคล้ำสีดเหลืองเส้เนเอ็นขึ้นสะพรั่งจึงถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงสูง้ผอมหมองคล้ำสีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งฤาษีผู้น้องตอบว่าที่นี้มีมณีกันทานาคราช ขึ้นจากแม่น้ำคงคามาหากระผมแล้วพักวงขนดหางล้อมรอบกระผมเจ็ดรอบแผ่พังพันใหญ่ปกเนือศีรษะเพราะความกลัวนาคราชนั้นกระผมจึงสู้ผอมมองคล้ำสีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งฤาษีผู้พี่ถามว่าเธอต้องการไม่ให้หนาคราชมาใช่ไหมฤาษีผู้น้องตอบว่ากระผมต้องการไม่ให้หนาคราชนั้นมาหา ฤาษีผู้พี่ถามว่าเธอเห็นหนาคราชมีอะไรบ้างฤาษีผู้น้องตอบว่าเระผมเห็นแก้วมณีประดับที่คอฤาษีผู้พี่กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงกล่าวขอแก้วมณีนาคราชว่าท่านจงให้แก้วมณีแก่อัตมาเถิดอัตมาอยากได้ภิกษุทั้งหลายครั้นมณีกันถานาคราชขึ้นจากแม่น้ำคงคาเข้าไปหาฤาษีผู้น้องถึงที่อยู่พักอยู่ณที่สมควร ฤาษีผู้น้องกล่าวว่าท่านจงให้แก้วมณีแก่อัตมาอัตมาอยากได้นคราชคิดว่าพิกษสูขอแก้วมณีภิกษสูอยากได้แก้วมณีแล้วรีบหลีกไป ท, ทันทีแม้ครั้งที่สองมณีกัญฐานาครราชขึ้นจากแม่น้ำคงคาเข้ไปหาฤาษีผู้น้องแม้ครั้งที่สามฤาษีผู้น้องกล่าวว่าท่านจงให้แก้วมณีแก่อัตมาอัตมาอยากได้ ข้าวน้ําเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้ามากมายข้าพเจ้าให้แก้วมณีท่านไม่ได้ท่านเป็นคนขอเกินไปข้าพเจ้าจะไม่มาอาสมท่านอีกแล้วท่านขอแก้วมณีจนทําให้ข้าพเจ้าหวาดกลัวเหมือนชายหนุ่มถือดาบคมที่รับด้วยหินทําให้ผู้อื่นสะดุ้งกลัวข้าพเจ้าให้แก้วมณีท่านไม่ได้ท่านเป็นคนขอเกินไปข้าพเจ้าจะไม่มาอาสมท่านอีกแล้วภิกษุทั้งหลาย ครั้นแล้วมณีกัญถาหน้าคราดจากไปพร้อมกับรำพึงว่าภิกษุขอแก้วมณีภิกษุอยากได้แก้วมณีไปแล้วไม่หวนกลับมาอีกเลยต่อมาฤาษีผู้น้องกลับสูบผอมหมองคล้ำสีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งยิ่งกว่าแต่ก่อนเพราะไม่ได้พบนาคราดรูปงามน่าดูฤาษีผู้พี่เห็นฤาษีผู้น้องสูบผอมถามว่า เพราะเหตุไรเธอจึงสู้ผอมมองคล้ำสีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งยิ่งกว่าแต่ก่อนฤาษีผู้น้องตอบว่ากระผมสู้ผอมเพราะกระผมไม่เห็นหนาคราชรูปงามหน้าดูนั้นฤาษีผู้พี่กล่าวเป็นคาถาว่าบุคคลไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขาอันหนึ่งขอเกินไปย่อมเป็นที่เกลียดชังนาคราชถูฤาษีขอแก้วมณี จึงไม่หวนกลับมาให้ราศีเห็นอีกเลยภิสุททั้งหลายการขอการออกปากขอย่อมเป็นที่พอใจแม้ของพวกสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นไม่จำต้องกล่าวถึงพวกมนุษย์เลย